ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้ให้นึ ก, กว่าเรามาทำความเพียรพร้อมเพียงกันในศาลาการป ร, รียนนี้เพื่อจะทำใจให้ส ง, งบ ใจไม่สงบนี่แหละมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเรียกว่าไม่รู้ธรรมของจริงครัูจะรู้ธรรมของจริงได้ก็ต้องมาทำใจให้สงบเสียก่อนละอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตแล้วให้ปรากฏแต่อยู่ในปัจจุบัน เพราะชีวิตนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเป็นดีเป็นชั่วอะไรก็เป็นมาหมดแล้วไม่ได้กลับคืนไปเป็นอย่างนั้นอีกอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึง ไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะไปถึงไหนอย่าไปคาดการล่วงหน้าอย่าไปยึดถือเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เป็นานาคาตให้ถือว่านั่นเป็นของไม่แน่นอนอันปัจจุบันนี้นะเป็นของแน่นอน ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่ลมหายใจออกก็รู้ว่าชีวิตยังเป็นอยู่หายใจเข้าก็รู้ว่าสังขารในมันไม่เที่ยงหายใจออกก็รู้ว่าสังขารในมันเป็นทุกข์ ทนได้ยากลำบากหายใจเข้าก็รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชมกันอยู่เท่านั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยบำรุงอยู่จึงค่อยอยู่ได้ เหตุปัจจัยที่บำรุงร่างกายอันนี้อยู่ก็คือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาหล่อเลี้ยงไว้แล้วประกอบกับอาหารการบริโภคในปัจจุบันอีกด้วยก็จึงอยู่เป็นอยู่ไปได้ร่างกายอันนี้นะ ถ้าว่าขาดปัจจัยอันใดอันหนึ่งดังกล่าวมานี่แล้วร่างกายนี้ต้องแตกลับทำลายไปไม่คงที่อยู่ได้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้นะ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้ง แห่งตลอดพระองค์ก็เห็นแจ้งว่าสิ่งหนึ่งจริงใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความแตกดับเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอืมอันนี้มันเป็นความจริงของโลกสงสารอันนี้แต่คนส่วนมากหากไม่เคารพความจริงอันนี้ ไปฝื้นใจอยู่ว่า จ, จะต้องให้มันเที่ยงมันยั่งยืนจะให้มันเป็นไปตามใจหวังของตนเมื่อวันไม่เป็นตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์เรือร้อนอะบบ น, นี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมาเพ่งพิจารณาลงในปัจจุบันนี้ มันก็ย่อมรู้เห็นได้เห็นไปตลอดเลยไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปพากพาแดนดินที่ไหนหรอกกำหนดรู้อยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้เลยก็เห็นสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดความดับอยู่อย่างนี้ ผู้ท้องการจะพ้นทุกข์และต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วก็ต้องพิจารณาบ่อยๆถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงก็จริงแต่ว่าจิตนี่มันถูกอวิชชาตันหาครอบงามันไม่ค่อยจะยอมรับความจริงของสังขารอันนี้ มีมีแต่สง่งจิตนี้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่เป็นที่น่ารักให้พอใจในโลกนี้นี่แสดงว่าจิตมันไม่ยอมรับความจริงมันยังเข้าใจว่าสภาวะธาตุสภาวะขันทั้งหลายเหล่านี้ เอาหนวยความสุขให้โย่เหตุนั้นจึงได้ดินไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั่นดังนั้นจึงว่าทางที่เราจะพ้นทุกข์ไปได้เร็วนั้นนะจึงเมื่ออยู่ที่การเพ่งลงในปัจจุบันนะอย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่น ก็ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่เป็นสุขก็คือจิตดวงนี้ผู้เป็นทุกข์ก็คือจิตดวงนี้อันน่้ไม่ใช่อื่นไกลร่รางกายอันนี้ถึงแม้มันจะแปลปวนไปก็ตามแต่ว่ามันไม่รับรู้ความแปลปวนความทนทุก ได้ยากลำบากของร่างกายอันนี้มันไม่ไม่รับรู้มันมีแต่หน้าที่แปรปรวนไปเท่านั้นเองแต่ผู้รับรู้ความเป็นไปของร่างกายอันนี้คือจิตตรงเดียวนี้เท่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นใด อันที่เราบ่นกันออกมาว่าเป็นทุกหนอทุกหนอแล้วนะก็จิตตรงนี้แหละมันไม่รู้เท่าสรรพวัตาะสรรพธรรมอันมีอยู่ภายในและภายนอกหรืออย่าละเอียดในโลกนี้มันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่าเหตุนั้นเมื่อเวลา สิ่งท่งางๆเราใ น, นวิบัติแปลปวนไปมันจึงค่อยบ่นออกมาว่าเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอมันแสดงว่ามันจนปัญญาไม่สามารถจะรู้เท่าได้จึงได้บ่นออกมาถ้าผู้มีปัญญาได้พิจารณาอยู่เสมอเสมอ ได้รู้เท่าแล้วก็จะไม่บน่นจะไม่บ่นออกมาว่าทุกข์อย่างโน้นทุกข์อย่างนี้ถ้าจะบ่นออกมาก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าในใจภายในจิตใจแล้วดังนั้นทุกคนขอให้ ฝึกจิตใจอันนี้ให้มันชำนิชำนานในเรื่องความทุกข์ของสังขารร่างกายอันนี้นะไวเ้เสมอเสมอเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาแล้วต้องได้พบกับความทุกข์นี่เหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งจะไม่ได้พบไม่มีเลย ไม่มากก็ น, น้อยอความทุกข์ความทนได้ยากลำบากวอมแปรปวนไปแหงสราพวะฒนธรรมสร า, าพวะฒนธาตุทั้งหลายเหล่านี้นั่นหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละฝึ ก, กจิตใจไว้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ปัญญานี่เป็นคุณธรรมอันสุดท้ายสำหรับที่จะสอนใจให้ตัดสินปล่อยวางรูปธรรมนำมารมเหล่านี้จะหลุดจะพ้นไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองสุดท้ายนะลำพังมีแต่สิน มีแต่สมาธิเท่านั้นยังหลุดพ้นไม่ได้เพียงแต่บรรเทาความทุกข์ลงไปเท่านั้นเองบรรเทากิเลสไปเท่านั้นอันจะพ้นจากกิเลสหรือกองทุกข์ได้นี้อยู่ที่ปัญญาเป็นคุณธรรมอันสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมพึงเข้าใจไว้ ดังนั้นแหละการภาวนาเมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วก็อย่าไปพอใจอยู่แต่ในความสุขอันเกิดจากความสงบเท่านั้นต้องหัดคิดหัดพิจารณาสอนใจดวงนี้แหละเรื่อยๆไป สอนให้มันรู้ความจริงให้มันรับรู้ความจริงของนามมาทารูปประธรรมอันนี้เมื่อมันรู้แจ้งรูปประธรรมนามประธรรมอันนี้แล้วมันก็รู้แจ้งสิ่งอื่นที่แวดล้อมรูปประธรรมนามประธรรมานี้อยู่เช่นวัตถุภายนอกต่างๆจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นคนก็ดีเป็น ต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำคลองภูเขาเหลากออะไรก็ตามแหละมันก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้เองนะต่างแต่ว่าสภาวะธาตุภายนอกอันนั้นมันไม่มีจิตคลองเท่านั้นเองนะแต่สภาวะธาตุอันเป็น ภายในคือร่างกายอันนี้มันมีจิตครองเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นมันจึงรู้จักทุกนั่นแหละมันจึงรู้จักความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้เช่นอย่างเช่นต้นไม้อย่างนี้มันไม่มีจิตครองดังนั้นมันจึงไม่ได้ร้องครวญคางอะไรออกมาเลย เวลามันหักมันโค่นลงมันก็หักโค่นไปอย่างนั้นธรรมดามันนี้แหละแต่ส่วนร่างกายสังขารอันนี้มันมีจิตครองดังนั้นเมื่อมันวิบัติแปรวนไปจิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้เมื่อจิตไม่รู้เท่าแล้วก็ย่อมวันไว ย่อมเดือดร้อนทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหรือความแตกดับแห่งสังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมสะดุง้งต่ออาจญาคือความตายมไม่สะดุ้งแต่พระอริยบุคคล หรือพระอาราหันต์เท่านั้นแหละพระอาราหันต์นี้ท่านไม่สะดุง้งเพราะเหตุว่าท่านละอุปทานในขันธ์ทั้งห้านี้เสียแล้วถ้าไม่ได้ถือว่าขันธ์หน้านี้เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาท่านมองเห็นว่าเป็นเด็ดสิ่งทั้งปวงที่มีความ เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเองไม่มีสัตว์ตายไม่มีบุคคลตายที่ว่าตายนั้นสมมติกันเอาทังหากสมมุติเอาถัดสีกันหน้านี่มันแปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเองว่าคนตายสัตว์ตาย แท้ที่จริงเนี่ยมันสมมติว่าเฉยแต่พูดถึงความจริงแล้วมันก็มีแต่สิ่งต่างๆที่มีความเกิดขึ้นในโลกอันนี้แล้วก็แปรปวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดก็มีเท่านี้เองนะดังนั้นแหละ นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายเมื่อพิจารณาเห็นแล้วเบื่อหน่ายอยากจะไปสู่สถานที่ไม่วิบัติแปลปวนแตกลับอันนี้สถานที่ไหนที่จะไม่มีการแปลปวนแตกลับนี่นะ นอกจากทันที่ผ่านแล้วไม่มีไม่มีที่ไหนเลยโลกทั้งสามอันนี้ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แปลผันในท่ากลางแตกกับในที่สุดทั้งนั้นเลยผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนานะมันต้องพิจารณาให้เห็น ตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจึงแกยินดีต่อพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนี้เป็นธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นจิตนี้เมื่อละอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์หมดจดไปแล้วโดยประการนำกวงแล้ว จิตนี้ก็ไม่เคลื่อนไหวไม่นิ่นลนทะเยอเทยานไปในพบน้อยพบใหญ่เลยนั่นแหละก็รู้ได้ในปัจจุบั น, นสำหรับผู้ที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็รู้ได้รู้จิตตัวเองว่าหมดอยากแล้วหมดความปรารถนาในโลกแล้ว มันก็ไม่อยากไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อะไรเลยมแม้ว่าถาดสี่ันห้า 4, 000, 5, นี่ยังจะไม่แตกไม่ดับไปก่อนแต่ดวงคิดที่ละอาสวะกิเลสหมดแล้วนี่ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่คนละ โลกกันแล้วท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็หมายเอาดวงเกียตดวงนี้เองนะมันอยู่เหนือโลกแล้วถึงจะอาศัยโลกนี้อยู่แต่ก็ไม่ติดอยู่ในโลกนี้ อารมณ์ลึกกิเลสต่างๆไม่สามารถจะซึมทราบเข้าสู่จิตใจของท่านผู้รู้ทั้งหลายได้เหมือนอย่างน้ําไม่สามารถจะซึมเข้าสู่ใบบัวได้ฉันใดจิตของมุนีผู้รู้ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นอารมณ์ทั้งหลายกระทบมาแล้วก็ผ่านไป กระทบมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองอจิตของท่านไม่วันไหวเพราะรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรปัญญาอันนี้ต้องยิ่งต้องเจริญปัญญานี้ให้ยิ่งต้องรู้แล้วรู้อีกต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีก อยู่อย่างนั้นกลัวมันจะรู้แจ้งเห็นจริงได้เนะี่ยขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าพิจารณารู้ขั้งเด็ดหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลยไม่ไม่ต้องพิจารณาอี ก, กรู้อยู่อย่างนั้นเลยอย่างนี้ไม่ใชนะ่สำหรับผู้ที่ยังจิตใจยังไม่หลุดพ้นนี่ความหลุดพ้นอันนี้นะ่ะมันมีอยู่สองประเภท คือหลุดพ้นชั่วคราวหนึ่งหลุดพ้อนอย่างถาวรหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าสมุเทเฉทสวิมุติคือหลุดพ้นรอยเด็ดเดด็ขาดไปเลยกิเลสทางวนเหล่านั้นไม่กลับมารบกวนจิตใจของท่านอีกแล้วประเภทหนึ่งเรียกว่าหลุดพ้นไปชั่วคราว เช่นเราจะรู้ได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเมื่อจิตใจมันรวมลงสงบลงเช่นนี้นะกิเลสทั้งหลายก็ลบปวนจิตใจไม่ได้เลยคล้ายๆกันกับว่าพ้นไปแล้วแต่ที่จริงแค่เรายังไม่พ้นนะเป็นแต่เพียงว่าอนุภาพแห่งสมาธินี่มันไป ทับกิเลสไวเท่านั้นเองอานุภาพแห่งความสงบนี่นะมันไปทับกิเลสไว้กิเลสดิ้นไม่ได้มันก็เลยสงบตัวอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งคั้นเมื่อสมาธิถอนแล้วกิเลสนั่นมาเกิดลุกขึ้นตามหลังมา มารบควรจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนอีกนี่เรียกว่าวิมุตต์อันเป็นส่วนโลกีมันมีอยู่อย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างว่านั่นแหละอืมก็ให้พากันที่นาให้รู้คําว่าวิมุตต์นั้นมีอยู่สองประการอย่างนี้เองแล้วเราทํา จิตให้เป็นวิมุตต์ในขั้นต้นนี้ได้ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองถ้าหากว่าไม่เห็นวิมุตต์ในส่วนอันเป็นส่วนโลกีนี่มันก็ไม่มีแก่ใจที่จะทำความเพียรเพื่อให้ถึงสมุิเฉตตวิมุตต์ได้อ เหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนทำแล้วไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ขายผลไม้ไม่สามารถจะรวบรวมเอาเงินเป็นก้อนใหญ่ไว้ได้อย่างนี้มันก็ไม่คิดที่จะทำการค้าการขายได้เพราะว่าการทำการค้าขายนี่ต้องได้ใช้ทุนมากพอสมควร จึงจะทำการค้าขายได้ทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยค้าขายไม่ได้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผูท้ที่มีบุญกุศลน้อยไปเช่นนี้นะแล้วกิเลสหลายกว่าบุญกว่าคุณนั้นี อากิเลสมันก็คอยสกัดกัน้นจิตอันนี้ไว้ไม่ให้ทาความเพียนก้าวหน้าไปได้เลยถ้าไม่จิตใจอ่อนแอท่อแท้ไปเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูจิตใจของใครของเรามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่า บุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี้ก็ยังไม่มากขอเลยอย่าว่าถึงแตก บ, บุญกุศลอันเป็นส่วนโลกุตระเลยทุกคนต้องรู้ตัวอย่างนี้พอรู้ตัวอย่างนี้แล้วเรานี่มันบุญน้อยอยู่บุญกุศลมันน้อยไปเราจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสนี้ได้ เช่นนี้แล้วก็ทาความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ก, การสำรวมตนก็ให้สม่ำเสมอไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปลาใ้อะไรต่ออะไรก็มีสติสัมปชัญญะประคับปรคองขิดนี้ ให้สม่ำเสมอให้เป็นปกติไปเมอให้จิตนี้มันหลงยินดีหลงยินร้ายกับเรื่องที่ได้ทำคำที่ได้พูดไปนั้นทำแล้วแล้วไปพูดแล้วแล้วไปไม่เสียใจไม่ดีใจกับ กิริยากายที่สแสดงออกไปกิริยาวาจาที่พูดที่กล่าวออกไปแล้วก็แล้วไปกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนอกจากนั้นแล้วไม่มีอะไรยั่งยืนน่ะกิริยาอาการที่กระทำหรือคำที่พูดและทำไปแล้วพูดไปแล้วมันก็ดับไปดับไปอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรยั่งยืนแม้ว่ามันไม่ดับลงปัจจุบันทันด่วนมันก็แปรปวนไปเรื่อยๆไปในที่สุดมันก็แตกดับเช่นบุคคลสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาอย่างนี้นะเอาว่าสร้างถาวรจริงๆเลยอย่างนี้ว่าอย่างนั้นก็ได้แค่ร้อยปีเท่านั้นเองแล้วทัพพระสัมภาราทั้งหลายที่ก่อสร้างนี่มันก็หมดอายุลง ก็ชำรุดสุดสมก็ต้องรื้อทิ้งไปดูเหมือนอย่างแต่ข้างพระพุทธเจ้านั่นน่บ้านเมืองของคนสมัยนั้นก็จรื้อุ่งเรืองตามยุคตามสมัยข้นเมื่อร่วงเลยมาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีนี่นะ อันสิ่งเหล่านั้นไปไหนหมดนั่นแหละมันก็พังทลายลงสู่พื้นดินนี้ไปหมดเลยก็เห็นแต่ซากต่างๆปรากฏอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองอย่างเช่นไม่ว่าที่ไหนในโลกอันนี้นะเมืองไทยนี่ก็มีวัดว า, ารามที่บบราณแต่ก่อนเพื่อนสร้างกันมา ก็บางแห่งก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนปรากฏอยู่เท่านั้นเองจะได้เห็นเป็นหลังคาสาลาหลังคาโบสอะไรอยู่นี่ไม่มีเลยในประเทศอินเดียสถานที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็เหมือนกันนะไม่มีแล้วสิ่งปลูกสร้างแต่อดีตการนู้นนะ มีแต่สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นใหม่เท่านั้นเองนะเก็ธรรมราการเจริญปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้หลายเรื่องหลายอย่างมาประกอบกันเข้ามันจึงจะเห็ น, หนแจ้งในไตรลักษณะส น, าานัญนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อเมื่อปัญญาที่จรณ า, าเห็นโลกสันิบัตอันนี้มันมีความเกิดขึ้นแปลปรนแตกดับไปอย่างนั้นแล้วมันก็สังเวชสลดใจนี่แหละสังเวชสลดใจว่าดวงกิจดวงนี้น่ะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหตุนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์ มันจึงวุ่นวายเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ถ้าว่าสิ่งที่อาศัยอยู่ีนมันเที่ยงมันยั่งยืนแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระทั่งจิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นใกล้ๆเข้ามาหากายกับกจิตนี้แหละ ทีแรกพิจารณาก่วงขวางออกไปแต่พิจารณาแล้วก็สรุปลงมาสู่กายกับกจิตอันนี้มาสอนจิตนี่เห็นไหมล่ะเป็นอย่างนี้แหละโลกสนิวัตอันนี้นะมันไม่เที่ยงมมนยั่งยืนอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนเราก็ต้องเห็นสิ วัตถุสิ่งของผู้คนสัตว์สาวะสิ่งที่เกิดมาในโลกอันนี้นะมันก็จะยั่งยืนมาให้เราได้เห็นจนบันนี้แหละแต่นี่ไม่มีนี่ก็แบบว่าอย่างมีก็มีแต่โครงกระดูกเท่านั้นแหละสัตว์ก็ดีคนก็ดีมีแต่โครงกระดูกให้เห็นเท่านั้นเองนะ แม้พวกเราที่มีชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะต้องแตกดับทำลายลงเหลือแต่กระดูกเท่านั้นให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ให้ใครคิดดูให้มันเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันจะได้โนยเบาบางลงคือความอยากของกิจนี่นะ การพิจารณาอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร น, นามรูปอันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งงาบทั้งละเอียดมันล้วนแต่เป็นอุบายที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ ไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราของเขาของตัวตนอะไรเลยใครเป็นผู้ละจิตดวงนี้หละละนะปัญญาสอนจิตจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วก็ปรงได้วางได้ถ้าปัญญาไม่เดินหน้าก่อนจิตนั้นปรุงไม่ลงวางไม่ลงเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงเหมือนกันกันกบว่าผงซักฟอกผงผงผงซักผ้าที่ดำดังเปื้อนๆด้วยมลทินต่างๆเอาไปแช่เข้าไปแล้วนานไปแช่วาสาณสักชั่วโมงหนึ่งนะไปขยี้ เข้าไปขยี้กับน้ําเข้าไปผงซักฟอกนั่นมันจะทําให้สิ่งโสกโปกโสโครนั้นเปื่อยละลายออกจากผ้านั้นแต่ผงซักฟอกไม่ได้กัดผ้าเลยมันจะไปทําลายตั้งแต่สิ่งโสกโปกต่างๆที่มีอยู่ในผ้าเท่านั้นเองเนี่ย ให้เมื่อลายหายสูญไปเหลือแต่เนื้อผ้าอันสะอาดสะอาดเท่านั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละปัญญานี่สำหรับเราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ปัญญานีนพ่อกิจใจนี่ที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนั่นนะให้มัน ขาวสะอาดอุดพองดวงกิจอันนี้ไม่ให้มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆก็ฉันนั้นแหละขอให้เข้าใจแต่แล้วปัญญานี้มันก็มาจากสมาธิสมาธิก็มาจากศีลไอทำสามประการนี้มันย่อมเนื่องกัน ไม่ใช่เอาปัญญามันเกิดขึ้นโดยที่บุคคลไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่นะออันปัญญาโลกีนั่นเมือนเกิดได้เป็นได้แม้บุคคลจะมี ที่งลตันหาครอบความจิตใจยอยู่ก็ตามเมื่อมันเรียนมันท่องมันจำตามตำราตามตัวหนังสือมันก็จำได้แล้วมันก็เอาไปคิดไปปรับปรุงสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มันเพ่งนอก เช่นอย่างว่ายกตัวอย่างว่าสร้างบ้านอย่างนี้นะบ้านหลังหนึ่งนี่เราจะสร้างแบบไหนมันก็คิดวาดภาพดูว่าเราจะต้องทําโครงสร้างอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกว้างเท่านั้นยาวเท่านั้นสูงเท่านั้นใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนั้น แล้วเงินทุนมีเท่านั้นพอที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จได้มันมีแต่เรื่องเพ่งนอกการที่เขาไอความรู้ในทางโลกนั่นนะที่สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ต่างๆนานามุนี้ส่วนความรู้ในทางธรรม อันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนี้มันเป็นการทวนกระแสของโลกไม่ปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปกับโลกสงสารอันนี้ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันไม่คิดส่งออกไปภายนอก ควรกระแสความคิดความนึกเข้ามาในปัจจุบันนี้ให้มารู้กายกับจิตอยู่นี้รู้ว่ากายนี้เป็นของแตกของดับก็รู้ตามสภาพความเป็นจริงเป็นสิ่งหน้าเบื่อหน้านายก็รู้ว่าน่าเบื่อหน้านายจริงๆเมื่อนายทําไมอ่ะเอ้า ก็มันได้ประครบประงมมันไปได้ธนุบำลุงด้วยข้าวนา้ำผ้าหนุง่งผ้าห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยต่างๆในน้าต้องแสวงหาสิ่งมือีมาบำลุงปรนเปืร่างกายอันนี้อยู่ร่างกายอันนี้มันจึงพอประทังอยู่ได้ พิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันจึงเบื่อนายเรื่องมันนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆอย่างนี้ไม่เห็นแจ้งอย่างนี้แนละ้วมันไม่เบื่อเพราะว่าสิ่งที่มันยั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่นะมันมีอยู่ในโลอกอนี้ยรูปสวยๆงามๆเสียงไพเราะเพราะพิ้งกลิ่นหอมหวน รสอร่อยสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มหมู่นี้มันมีอยู่เมื่อบุคคลมาหลงสมมุติที่แล้วจิตใจมันก็เลยติดเกาะข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจึงหลุดพ้นไปไม่ได้เมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็มาแฉให้จิต ดูให้จิตได้รู้วันนี้นะรูปเสียงกลิ่นรสเคืองสัมผัสที่ตนหลงรักหลงใครอยู่นั่นนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปในเวลาที่มันยังไม่ไม่แตกไม่ดับนี่มันก็แปรปวนทนทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนั้น ทั้งเป็นของไม่สวยไม่งามตามที่เข้าใจนั้นเลยมันจะมีอะไรสวยงามรูปร่างอันนี้นะมันมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองมันจึงสิ่งไม่สวยไม่งามจึงไม่ปรากฏมากแต่มันก็ปรากฏอยู่แล้วถึงจะมีหนังหุ้มอยู่ก็าตามเช่นเงือคไล่น้ำลายน้ำมูก อุจระปัสสาวะ ต, ต่างๆพมกนี้นะมันแสดงออกปรากฏให้เห็นแล้วสิ่งโสโครกหากว่าสิ่งโสโครกเหล่านี้ไม่ถูกประบายออกมาแล้วร่างกายอันนี้อยู่ไม่ได้เลยเพียงแต่ท้องผูกสองวันสามวันนี่ก็แย่แล้วอ่ะคนเราอ่ะปวดปั่นแล้วท้องะ ่าปวดท้องแล้วทอ้องอืดท้องเฟอ้อล้วประทานอาหารก็ไม่ได้มากเพราะมันอาหารเก่ามันคั่งค้างอยู่ในกระเพาะ อ, อยู่ในลำไส้โน่นนะเพียงเท่านี้แล้วมันก็เห็นมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นก็ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ ก็ลองพิจารณาดูสิพระพุทธเจ้าทรงสอนนะสอนในเวลานุ่งห่มก็พิจารณาก่อนแล้วจึงนุ่มจึงห่มได้ผ้าใหม่มาก็ดีหรือว่าผ้าเก่าก็ช่างแหละห่มนุ่งห่มเวลาไดก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้กระลนแต่ไม่เที่ยง นุ่งห่มไปนานไปก็เศร้าหมองไปก็สํารุดทุดโทรมไปต้องได้ทิ้งอ่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอรากายที่ชั้นใดก็เหมือนกับผ้านุ่งผ้าห่มนั้นแหละอาศัยมันนานไปมันก็สํารุดทุดโทรมไปเมื่อเมื่ อ, อแก้ไขทนุบำรุงเต็มที่แล้วมันก็ ปกติดีคืนไม่ได้ก็มันก็ต้องแตกทําลายลงเท่านั้นเองเหมือนเครื่องลุ่งเครื่องโมอย่างที่ว่านั่นแหละอะไรอะไรก็อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นโดยกล่าวโดยสรุปแล้วอันนี้แหละปัญญานะให้พากันคิดให้พากันพิจารณาหาอุบาย อันประกอบไปด้วยความจริงเนะี่ยมาสอนจิตอันนี้ไม่ใช่เป็นอุบายที่หลอกเอาโดยที่เรื่องไม่จริงก็เอามามาสอนจิตอันนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะอุบายต่างๆนี้ล้วนแต่อุบายเรื่องเรื่องเป็นจริงทั้งนั้นเลย เพื่อสอนจิตนี้ให้จิตมันรับรู้ความจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นแหละจิตนี่มันถูกอวิชชาตัญหายหอมแล้วมันยังมันจึงเห็นไปว่าโลกอันนี้ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดอันนี้เป็นของน่าชื่นชมยินดีอยู่ นี่แหลวิชาตัณหามันหลอกล่อจิตใจมันจึงได้หลงไหล ย, ยึดมั่นอยู่มันจึงไม่ยอมปล่อยยอมวางนั่นเองแหละแบบนี้เมื่อเราอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดเจริญปัญญาหาอุบายมาสอนจิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะอ่า สอนบ่อยๆเข้าจิตนี่มันก็ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้แหละอันนี้นั่นเออเป็นจริงแท้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยควรวางจริงๆเอาให้จิตมันลงความเห็นลงอย่างนี้นะถ้าจิตมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปลงได้วางได้จริงๆหละ่ะ มันก็ไม่ลังเลเลยแต่วางแล้วปรงวางเลยแล้วแต่ก็ยังอาศัยรูปธทำนามธรรมนี่อยู่นั่นเองนะอาศัยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสภายนอกนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่ได้อาศัยเลยไม่ต้องรับประทานอะไรไม่ต้องนุ่งห่มอะไรต่อไปอีก อย่างนี้ไม่ใช่นะถึงรู้เท่าแล้วรู้แจ้งแล้วก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ในเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดรูปอันนี้มันก็ยังเป็นไปอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพิจารณาแม้จะได้รับความเบื่อหน่าย ท่านก็เบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างที่ว่ามานั่นแหละเมื่อเบื่อหน่ายแล้วทำยังไงจึงจะพ้นจากของไม่เที่ยงของเป็นทุกทนได้ยากอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางเท่านั้นเองเนี่ยไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเขา่าแต่ปล่อยวางแล้วก็ยังอาศัยมันอยู่เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังไม่หมดไม่สิ้น มันยังให้ผลอยู่ผู้รู้ทั้งหลายก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาศัยมันไปอย่างพระอาราหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงชีวิตอันนี้ไปโดยลำดับเพื่อแนะนำสั่งสอนเวเนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เอาไปฝึกผลจิตใจตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงพระมหากรุณาธิคุณแกสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเลย พระองค์จึงได้เอาทุกเป็นทุนสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนี่ขน า, นานับชาตไปทวนกวัวบุญญาบา ร, รมีอันนี้จะเต็มบริบูรณ์แม่พุทธศาสนิเกชนทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้แหละอันบุคคลผู้ที่จะหลุดจะพ้นจากวัตสงสารอันนี้ไปได้ ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีเท่านั้นถ้าบุญสร้างบุญกุศลได้มากเข้าไปเท่าไรบุญกุศลอันนี้แหละหนูนจิตใจให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นมาสอนจิตให้เห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี่นะเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจริงๆมันเป็นอนัตตา บังคับไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ใจของใครไม่ใจของเราของเขาจริงๆอันนี้เป็นความจริงทแท้ๆนี่เมื่อปัญญามันสอนจิตให้เห็นลักษณะอาการของสังขารทั้งพวงดังกล่าวมานี้แล้วมันก็จะเกิดนิพตนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา เมื่อเบื่อหน่ายบเข้าบ่อยเบือบ่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญาเนี่ยมันจะคลายความกําหนัดยินดีนี่ไปเรื่อยๆคลายออกคลายออกเรื่อยไปมันก็ น, น้อยลงไปเบาบางไปแล้วกิเลสอันนี้นะอตัวแต่ขอให้จิตที่มันเบื่อหน่ายด้วยด้วยปัญญาดักล่าวมานะั้นแล้วนั้นอนะ่ะอืมมันก็ค่อยคลายออกไปมันคลาย ทีเดียวไม่หมดมันก็ทายไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดมันก็หมดลงได้ท่านเรียกว่าสมุเิเฉดทวิมุติแปลว่าหลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดไม่กลับคืนมายึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้อีกต่อไปทีแรกนี้ก็หลุดพ้นไปเป็นขั้นขั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ เช่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็หลุดพ้นจากบาปอากุศลมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนั่นนะ่ะแต่ปฏิบัติยังกิเลสอยู่ถึงแม่บาปอากุศลนั่นจะละงับไปแต่กิเลสส่วนที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นมันก็ยังมีอยู่ แต่นั้นจึงวมาภาวนาเข้าทำจิตให้สงบลงไปทำจิตให้สงบระ ง, งับลงไปแล้วมันก็หลุดพ้นจากกิเลสนั้นไปชั่วระยะหนึ่งอ่ น, นี้นะเมื่อสมาธินั้นถอนออกมาแล้วกิเลสนั้นมันก็ ติดตามมาอีกแต่ว่ามันเบาลงเพราะอนุภาพแห่งสมาธินั้นมันก็สามารถทำกิเลสที่หยาบหยาให้เบาลงเหมือนกันนะมันเป็นยังไเมื่อกิเลสหยาบๆยาเนมันระ ง, งับไปแล้วยังแต่กิเลสอย่างกลางเช่นนี้ก็อาศัยปัญญาในวันนี้นะ อาศัยปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปจิตนี้เมื่อมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีไว้พระภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับตรงไปมนี ล้วนแต่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งนั้นเลยขอให้เข้าใจเมื่อทำไปมากๆเข้าไปบุญกุศลนี้มันมากเข้ามันก็ทำให้จิตใจนี่มีกำลังเข้มแข็งจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้น จากจิตที่สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นเองอ่ะปัญญามันจะเกิดขึ้นก็เพราะมีบุญมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐานจิตจะสงบอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบุญคุณนี่เองนะขอให้เข้าใจ ถ้าคนไม่มีบุญมีคุณดังกล่าวมานี่แล้วจิตสงบไม่ได้เลยดังนั้นในอนุสติสิบอันเป็นสมถกรรมฐานอันเป็นกรรมฐานที่ผู้สนใจในการเจริญสมถะอิวัฒนาจะต้องบาเพ็ญ น, นั่นแหละทรงแสดงไว้ ให้ละมันละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้มันนึกถึงทานการบริจาคของตนนึกถึงศีลที่ตนได้รักษามานึกถึงคุณที่ทำบุคคลได้เป็นเทวดานึกถึงความตายจะมีแก่ตนนึกถึงร่างกายสังขารอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งไม่สวยไม่งาม เป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่นะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่แหละความตายนี่กะหมายความว่าร่างกายนี่มันจะต้องแตกลับเป็นที่สุดท่านก็เลยสมมุติว่าตายเท่านั้นเองเนหะที่จริงได้ร่างกายนี่มันเกิดแล้วมันก็แปรปวนแตกลับลงเท่านั้นแหละ แล้วก็นึกถึงอนาปานสตินี่นะลองคิดดูสิอนุสติสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้สำคัญแค่ไหนอ่ะอนาปานสติการตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอะ น, นี่มันทำให้จิตรวมลงได้ ทำให้จิตนิละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตไปอันนั้นแหละเมื่อจิตมันละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตแล้วมันมันก็รวมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันนี้ได้เลยอ่าเนี่ยอย่าลืมการนึกถึงลมหายใจเข้าออกในมันทาให้จิตสงบจิตหยุดคิดหยุดนึก แล้วการนึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติสงบประ ง, งับจากกิเลศและกองทุกข์ทั้งมวลอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราทุกคนจะต้องนึกถึงอยู่เสมอถ้าไม่นึกถึงพระนิพพานมันก็ไม่อยากบรรลุพระนิพพานนี่นะไม่นึกถึงพระนิพพานก็ไม่เห็นคุณ แห่งพระนิพพานว่าวิเศษอย่างไรอย่างเช่นบางคนที่มีความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็พูดไปต่งตางๆ น, น, นานาว่าพระนิพพานนี่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีรถลาขี่ไม่สนุกไม่อยากไปหรอก อันนี้ก็มีผู้ว่าอย่างนี้บ่อยๆอยู่นเหมือนกันนะนั่นผู้ที่เห็นเช่นนั้นแสดงว่ามันติดความสุขชั่วคราวไอ้เรื่องความทุกข์ไม่เอามาบวกรบคูณหารกันดูบ้างเลยเลือกเอาแต่ความสุขชั่วครา ว, วนั่นแะมาว่าว่าโลกนี้สนุกสนานอย่างน้นอย่างนี้นี่นะ มันขาดปัญญาอย่างว่านั่นแหละถ้าหากว่าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วนะเอาความสุขในโลกนี้กับความทุกข์ในโลกนี้มาบวกกันเข้าเอามาเทียบกันเข้าลองดูอะนี่แล้วจะรู้ได้ว่าไอความสุขในโลกนี้นะ มันปลาเดียวปลดาวหนึ่งแต่ความทุกข์อันนี้มันเป็นประจาเลยทุกแก่ทุ ก, ก, ทกเจ็บป่วยไข้ทุกตายโมนี้นะอันนี้นะมันเป็นทุกประจําแท้ๆเลยเมื่อความทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ประจําอยานี้ละไอ้ความสุขอันเกิดจากความสุขชั่วคราวเช่นสุขในการกินสุขในการนอน สุขในการส่องเสพกรรมคุณเมถุนสังโยชน์สุขในการดูมรสรสพบกันต่างๆนานาหมูน่นี่มันล้วนแต่เป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นสุขชั่วคราวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลย ท่านเรียกว่าสุขอามิท ส, สุขสุขอิงอาศัยวัตถุเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันมวิบัติแพร่วนไปความสุขเหล่านั้นมันก็หมดไปอันนี้เป็นความจริงแท้ๆเลยเพราะนั้นผู้ปฏิบัติทํามทั้งหลายอย่าละเลยต้องน้อมความาสอนจิตตัวเองอยู่เสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ติดความสุขั่วคราวนี่แหละ ดังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะร ะ, ะเบียบการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้ตื่นดึกลุกเช้าทำความเพียรอย่างนี้นะบุคคลผู้ติดความสุขในการนอนแล้วก็เอาแล้วนอนจมปิ้งเลยหมดคืนก็ไม่ตื่นไปตื่นเอาเมื่อนุน่นสว่างนุน่นแสงพระอาทิตย์ขึ้น่องสู่ท้องฟ้านุน่น บางคนยังไม่ตื่นทั้งเลยแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ดีอย่างนี้แหละเรียกว่ามันติดอยู่ในอมิตรสุขสุขที่อิงอาศัยวัตถุเหล่านี้อยู่ดังนั้นก็ลองคิดดูสิทันเมื่อร่างกายอันนี้มันเป็นปกติไม่โลคภัยยังไม่เบียดเบียนเน่ะ ก็ น, นอนหลับได้สนิทสบายวันนี้เมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลปวนไปแล้วเอาเลยนอนก็ไม่หลับเลยวันนี้นะนั่นกระสับกายจรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้นะอ้าวมันก็เป็นทุกข์แล้วอ่าไอ้จิต ท, ที่ไม่รู้เท่านี่มันก็เดือดร้อนนะโอ้เรานี่ตายแล้วราวะ นอนก็ไม่หลับรับประทานอาหารก็ไม่ได้เมื่อวิตกถึงความตายมาแล้วก็ยิ่งเดือดร้อนเลยเพราะไม่อยากตายนี่ไม่อยากพัดผาาจากความสุขชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยังพิจารณาเห็นเช่นนั่นแล้วก็จึงเบื่อหน่ายความสุขชั่วคราวนั้น เมื่อนายวัตถุที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมกันเข้าเป็นร่างกายสังขารอันนี้นะจึงได้เบื่อนายไม่ยินดีในการหลับการนอนไม่ยินดีในรสชาติของอาหารไม่ยินดีใน ผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องใช้ไม่สอยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เช่นรถราโมนี้เป็นต้นนะก็เป็นของอำนวยความสะดให้ชั่วคราวเอา้ารถรถลาคันงามๆนั่งสบายอย่างนี้นะกต่เมื่อร่างกายนี้มันชุดโลงเวลแล้วนะมันจะไปนั่งได้ยังไงอย่างนั้นนั่งก็ไม่ได้ ก็ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะยังอยู่แต่ร่างกายนี่มันชารุดทรุดโทรมไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยอืมมันก็ต้องพี่นามุดทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่ต้องทําความรู้เท่าไปทุกประการเลยอย่างนี้อันนี้เนี่ยเลยชื่อว่าเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสาร ดังแสดงมา